ตอนที่หนึ่งหนึ่งเกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันวันเดียวกันเมื่อข่าวส่งมาถึงบ้านทั้งเจ้าชุนฮวาและหลีหวานต่างก็พากันตกตะลึงทั้งสองคนตั้งสติได้อย่างรวดเร็วแล้วรีบมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลทันทีเจ้าชุนฮวาก้าวเท้าพ้นประตูไปแล้วแท้ แ, ทแต่ยังอุตสวกร์กลับมาหยิบเครื่องนอนผ้าห่อตัวและเสื้อผ้าตัวเล็กๆที่เตรียมไว้ให้เด็กติดมือไปด้วยคุณย่าเร็วเข้าค่ะมาแล้วแล้วไม่เป็นไรพ่อกับแม่ของเจ้าอยู่ที่โรงพยาบาลคงไม่มีปัญหาอะไรข้าลืมหยิบขวดนมมาด้วย รอประเดี๋ยวเด็กที่เพิ่งเกิดอาจจะยังไม่มีน้ำนมให้ดื่มของพวกนี้ต้องเตรียมไปให้ครบมิเช่นนั้นถึงเวลาจะใช้แล้วไม่มีจะลําบากลหวารู้สึกกังวลเล็กน้อยหลีชิงผิงยังไม่ถึงกําหนดคลอดเลยด้วยซ้ําทําไมถึงคลอดเร็วขนาดนี้หรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วไปเจอเรื่องอะไรเข้าจนกระทบกระเทือนถึงคั้นเดิมทีตั้งใจจะคลอดธรรมชาติและสภาพร่างกายทุกอย่างของหลีชิงผิงก็ดูเหมาะสมดีไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ในใจของหลีหวานจึงรู้สึกกระวนกระวายยิ่งนัก พวกนางเร่งรีบมาถึงโรงพยาบาลเมื่อหลีหวานและเจ้าชุนฮาวาเห็นหลีชิงพิงกับเด็กทารกแรกเกิดอยู่ตรงทางเดินสองย่าหลานก็พากันชะงักไปอีกรอบเจ้าชุนฮาวารีบพลาเข้าไปหาเอ๊ะพ้อเสร็จแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ไม่มีพยาบาลจัดห้องพักผู้ป่วยให้พวกเจ้าหรือตรงทางเดินคนเดินทุกพล่านไปมามันไม่สะดวกนะท่านแม่เจิ้งวินชงรีบอธิบายสถานการณ์เจ้าชุนฮาวาขมวดคิ้วมุ่นด้วยความไม่พอใจไม่ได้ เรื่องอื่นนะช่างเถอะแต่ต้องจัดหาห้องพักให้ได้ต่อให้ต้องไปเบียดกับหญิงหลังคลอดคนอื่นก็ยังดีจะมาอยู่ไฟตรงทางเดินได้อย่างไรตอนกลางคืนตรงทางเดินนี่หนาวจะตายหากถูกลมโกรกเข้าเดียวจะกลายเป็นโรคเรื้อรังติดตัวไปนะท่านแม่ไม่เป็นไรหรอกขอดูสิคะอาวินชงเพิ่งออกไปซื้อหมวกกับผ้าพันุ์เข้ามาให้ข้าใส่แบบนี้แล้วลมเป่าไม่ถึงหรอกคะ่ะใบหน้าของหลีชิงผิงไม่มีร่องรอยความเหนื่อยล้าจากการเพิ่งคลอดบุตรเลยแม้แต่น้อยมีเพียงความปราบปลื้มยามที่มองดูลูกชายเท่านั้น หน้าตาเหมือนตอนลูกสาวสมัยยังเล็กไม่มีผิดลีชิงพิงลูกมือเล็กๆของเขาพลางในหน้ามองหลีหวันด้วยสายตาเปี่ยมรักเสียวหวานมาดูน้องชายของเจ้าสิแม่เขาทำไมคลอดเรอขนาดนี้หลีหวันเห็นว่าสภาพร่างกายของนางยังดูดีอยู่หัวใจที่เคยแขวนอยู่บนที่สูงจึงค่อยตกลงมาที่เดิมนางไม่เป็นไรก็ดีแล้วเฮอรสงสัยเขาจะเลือกวันเกิดของเขาเองนะัใครก็ฉุดไม่อยู่หรอกลีชิงพิงเล่าให้พวกนางฟัง พอตรวจเสร็จพวกเรากำลังจะกลับบ้านกันหมอยังบอกอยู่เลยว่าค่ายังไม่มีอาการอะไรภายในสองสัปดาห์นี้ไม่น่าจะคลอดแน่แต่ผลคือยังไม่ทันพ้นประตูโรงพยาบาลท้องก็เริ่มรู้สึกผิดปกติปวดแรงขึ้นเรื่อยๆพยาบาลเลยรีพาค่าเข้าห้องรอคลอดหมอยังไม่ทันมาถึงห้องรอคลอดเขาก็ออกมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นการคลอดธรรมชาติที่รวดเร็วอย่างยิ่งลีชิงพิงยิ้มออกมาเด็กคนนี้ไม่ได้ทำให้แม่ต้องทอรมานเท่าไหร่เลยเขาว่ากันว่าเด็กที่ไม่ทำให้แม่บังเกิดกล้าวต้องทอรมานคือเด็กที่กตันยู เจ้าชุนหาัวากล่าวด้วยความปราบปลืม้มในใจนางย่อมรู้ดีว่าการคลอดลูกมีที่ไหนไม่ทรมานบ้างเป็นพระลูกสะพ้ยของนางเข้มแข็งต่างหากความประหลาดใจมาเยือนเร็วเกินไปเจ้าชุนหวาเพิ่งจะสงบใจลงได้แล้วมองดูหลานชายตัวน้อยที่เพิ่งเกิดหน้าตาหน้าเอ็นดูเชียวละ่ะลำบากเจ้าแล้วขอบตาของเจ้าชุนฮาวาเริ่มร้นด้วยหยาดน้าตานางนึกอะไรขึ้นมาได้จึงหันไปบอกเจ้างวิง๋งฉง จะไปโทรศัพท์หาพ่อของเจ้าเสียให้เขาติดต่อกับผู้อํานวยการที่นี่โดยตรงจะให้นอนตรงทางเดินไม่ได้เด็กขาดเจ้งางวินชงพยักหน้าตอบรับครับงั้นท่านช่วยเฝ้าอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมาไปเถอะเจ้าชุนหวามองดูหลานชายตัวน้อยด้วยความเบิกบานใจมองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อคุณแย้เคยเห็นไหมว่าหนูพูดไม่ผิดแม่คลอดน้องชายจริงๆหนูทายถูกด้วยละ่ะหลหวันยกยิ้มที่มุมปากเด็กแรกเกิดนี่หน้าตาดูไม่ได้จริงๆยับย่นไปทั้งตัวเหมือนลิงไม่มีผิด คุณย่าแพ้แล้วเจ้าชุนหวังเงยหน้ามองหลีหวันด้วยความเอ็นดูเสียหวันของพวกเรานี้เก่งจริงๆตอนที่หลีชิงทิงเพิ่งอยู่กับโจเจี้ยนเย่ใหม่ๆนางคิดว่าแค่ได้ใช้ชีวิตกับลูกสาวสองคนแม่ลูกก็มีความสุขมากแล้วต่อมาได้แต่งงานกับเจ้งางวินชงก็รู้สึกมีความสุขมากเช่นกันและตอนนี้ยังได้คลอดลูกชายอีกนางมีทั้งลูกสาวและลูกชายครบถ้วนชีวิตนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรให้ต้องเสียดายอีกแล้วอากเจ็บจะตายอยู่แล้วเจี้ยนเย่ข้าเจ็บเหลือเกินข้าจะผ่าคลอดข้าไม่ค ล, ล้ว เจ้ารีไปบอกพยาบาลให้จัดตารางผ่าตัดให้ข้าทีเรือเข้าสิเจ้าชุนฮาวาพูดถูกจริงๆตรงทางเดินไม่เหมาะกับการพักฟื้นหลังคลอดเลยสักนิดทั้งหนวกหูวุ่นวายแถมคนยิงเดินทุกผลานไปมาคาดว่าตอนกลางคืนคงนอนหลับไม่สนิทแน่ๆอยู่โรงพยาบาลแบบนี้สู้กลับบ้านยิงดีเสียกว่าเมื่อได้ยินชื่อที่คุณหูทั้งสามคนก็มองไปทางนั้นโดยพร้อมเพรียงกันเป็นคนรู้จักจริงๆด้วยโจเจเียนเย่ยกับหลิวเคอเคอและยังมีหนิวซูเฟินอีกคน ดูท่าทางพวกเขาก็มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเหมือนกันช่างประจวบเหมาะเสียจริงไม่แน่ว่าเด็กทั้งสองคนอาจจะเกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันและวันเดียวกันก็ได้โจเจี้เย่ถูกหลิวเคอเคอร์อแผลงริใส่จนเหนล้าไปทั้งกายและใจนางเริ่มครั่งครวญมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้พอมาถึงโรงพยาบาลก็ยังไม่พอใจยังคงอลาว่าต่อไปไม่หยุดโจเจี้เย่ถูกนางร้องให้ใส่จนปวดหัวเขาจึงตวาดให้นางหุบปากด้วยความรำคาญ พยาบาลเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าให้เจ้า อ, อมแรงไว้บ้างหากเจ้าใช้แรงไปจนหมดแล้วประเดี๋ยวจะคลอดลูกได้อย่างไรอาการของเจ้าตอนนี้คลอดธรรมชาติได้ผ่าคลอดน่าเสียเงินมากกว่าคลอดธรรมชาติหลายเท่านาสภาพครอบครัวเราตอนนี้เป็นอย่างไรเจ้าก็ใช่ว่าจะไม่รู้อย่ามาทำจริตนักเลย ส, บสงบเสงี่ยมลงหน่อยไม่ได้หรือไงข้าไม่เอามันเจ็บเกินไปหลิวเคอเคออุ้มท้องกับพลางร้องร้องร้อ ง, องให้ดิ้นรนไปมาหนิวซูเฟินยิ่งมองนางด้วยสายตาดูแคลน ทำอย่างกับผู้หญิงคนอื่นเขาไม่เคยคลอดลูกอย่างนั้นและทำํำไมคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นอะไรที่เจ้าหล่ะทำเป็นตัวทองตัวเงินขึ้นมาเชียวคลอดที่บ้านก็ไม่เห็นเป็นไรแท้ๆยังจะดึงดันมาโรงพยาบาลให้เสียเงินเปล่าๆท่านแม่ท่านช่วพูดให้น้อยลงหน่อยได้ไหมโจวเจี้ยนเย่มองว่าแม่ของเขานี่แหละตัวสร้างความวุ่นวายสถานการณ์ตอนนี้มันก็วุ่นวายพออยู่แล้วพวกคุณ น, นี่มันยังไงกันเงียบๆหน่อยได้ไหมอย่ามาส่งเสียงดังรบกวนคนที่คนอื่นที่นี่ ขอโทษครับพอดีเมียผมปวดท้องเมื่อไหร่จะเข้าห้องรอคลอดได้ครับโจวเจี้ยนเย่คิดเพียงว่าหากส่งนางเข้าห้องรอคลอดไปได้หูของเขาคงจะสงบขึ้นบ้างตอนนี้ยังเข้าไม่ได้หรอกค่ะพยาบาลตอบด้วยน้ำเสียงรำคาญมดลูกเพิ่งเปิดได้แค่เซนเดียวครึ่งอย่างน้อยต้องเปิดถึงเสเซนถึงจะเข้าได้ไม่อย่างนั้นเข้าไปก็เปล่าประโยชน์เผลอๆวันนี้อาจจะยังไม่คลอดด้วยซ้ำอะไรนะค่าจ็บขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่คลอดอีกหลิวเคอเคอได้ยินแบบนั้นก็สติแตกทันทีไม่เอาแล้วค้าไม่คลอดแล้วค่าจะผ่าคลอดค่าจะผ่าตัด จะรีไปตามหมอมาจัดตารางผ่าตัดให้ข้าเดี๋ยวนี้จัดตารางผ่าตัดนะ่าไม่มีปัญหาหรอกค้าถ้าพวกคุณไม่มีความเห็นอะไรก็ไปชำระเงินก่อนเดี๋ยวทางเราจะจัดตารางผ่าตัดให้พยาบาลผู้จบหนิวซูเฟินก็รีโบกมือพลาวันคุณไม่ต้องไปฟังนางหรอกข้าผู้หญิงน่าชอบสำออยคลอดลูกแค่นี้ทำไมต้องผ่าตัดให้เสียเงินเสียทองพวกเราจะคลอดเองคะ่ะพยาบาลไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่สายหน้าแล้วเดินจากไป อย่าไปนะเจียนเย่ข้าจะเจ็บตายอยู่แล้วข้าทนไม่ไหวแล้วเจ้าช่วยทำให้ข้าพ้นทุกทีเถอะฮือๆไม่ว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ข้าก็ยอมข้าขอร้องละ่ะลิวเคอร์เคอร์รู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวโดยเฉพาะที่ท้องนั้นเจ็บยิ่งกว่าที่ใดนั่งเจ็บจนสติเริ่มเลือนรางร่างก า, ายสั่นเทากัดฟันกรอดพี่เจียนเย่โจเจียนเย่เงยหน้าขึ้นมาสบตากับพวกหลีหวานเข้าพอดีสายตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยและเขาก็สังเกตเห็นเด็กทารกในอ้อมกอดของหลีชิงผิงนางคลอดแล้วหรือ